จะกาสัมโมธนิกาตาอนโมธนาวัตวัดแปลว่าความเจริญก้าวได้ตาความดีสร้างบุญบา ร, รมีอันยิ่งใหญ่ในวันนี้อะไรบา ร, รมีคือฐานะบา ร, รมีบา ร, รมีแปลว่าะอะไรแปลว่าความดีอันสูงส่งเช่นบา ร, รมีสิบนี้ พูะเจ้ากับนำเด็จด้วยบารมีสิบประการวันนี้ท่านได้นิ ม, มนต์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลทรงซ้ำหลายองค์ด้วยกันมาเจริญพุทธมนต์และชักชวนผู้คนมาร่วมสร้างความดีซึ่งกันและกันขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าความดีอย่าทำคนเดียวชักชวนคนอื่นมาร่วมด้วย ตัวตัวอย่างของพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรไม่ตามพระองค์เองไม่ดีแต่พระองค์เองผูเหลียวต้องให้คนอื่นก็ดีด้วยเมื่อตอนดีแล้วก็จัจ่วนในคนอื่นทําดีเมื่อตอนรู้แล้วก็ชั่วนในคนอื่นรู้ด้วยเวกตอตนทําประโยชน์ชาตินี้แหละชาติหน้าตำตาๆพระนิพพานได้ก็ชั่วนในเขาทาด้วย ชวนใ้เขาทำดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบรมีสร้างสรรค์ดีกว่าดีกว่าชวนกันมาทำความชั่วเช่นชวนไปปรับเพื่อกระบะยมุกต่างๆมันไม่ดีแต่วันนี้ท่านชวนคนมามากมายให้มาร่วมทำบุญกันพอร่วมทำบุญกันขึ้นก็จเป็นพลังของชาติอาจาราพระมหากระจัดเป็นพลังของขวงจนเขาเรียกว่า กำลังของบริษัทบริษัทร่วมวนหรือบริษัทมหาชนเขารวมกันมากๆจึงเป็นบริษัทได้กําไรแล้วก็แบ่งหุ้นแบ่งส่วนแบ่งกําไรเท่งกันเลยกันฉันใดเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่พระพุทธเจ้าตั้งเป็นองค์แรกบริษัทนี้ี่ยิ่งใหญ่ตั้งมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เพราะตระบริษัทนี่ยังรวมกลุ่มกันท่านทำความดีศาสนาก็ยังเจริญไปนานบริษัทแปลว่าอะไรแปลว่าร่วมออกร่วมใจกันผมก็ทำคุณก็ทำความดีรักษาศีลด้วยกันทั่วบ้านทั่วเมืองหรือว่าทำความดีทุกอย่างเมื่อทำความดีกันได้ทั้งหมดบริษัทนั้นก็มั่นคงเรียกว่าพิโชสัมเนอุบาจกุบาติกาเรา จากกันไม่ได้ต้องอยู่รวมเป็นพลังกันไว้ได้เพื่อเป็นกำลังของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปราบใดที่เรายังรวมรักสามาัคคีซึ่งกันลนกันนี้หวังความเจริญของชาติเบิ่มได้มั่นคงทีเดียวอีกประการหนึ่งท่านมาขอขอมาโทษแก่ประสงค์ของข้าเจ้าอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยการขอขอมาโทษเป็นเรื่องใหญ่ คือว่าขอความผิดพลาดอันใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแก่พระทององค์กเจ้ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามต่อหน้าเลยรับหลังก็ตามเป็นปกกรลิกบอกสั ญ, ญลักษณ์คนดีคือไม่ถือตัวเราอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ว่าผิดไม่ผิดแต่ขอก็มาโทษเถิดเช่นการขอกมาโทษของพระเวลาเข้าพรรษา ยิ่งเวลาปรา v a น a ในพระพุทธเจ้ายัางปร a ว a n a ตัวเองนะเวลาปร a v a n แล้วท่านนั่งามท่ามต่างสงขอให้สงตักเตือนขา้าพเจ้าด้วยขาว้าพเจ้าผิดพาดอะไรสงทั้งหลายช่วยเตือนด้วยพระพุทธเจ้าไม่ผิดอะไรแต่ทําให้เป็นนิสิตัวยอย่างของคนของคนระบุตรกะระจิดาคนดีทั้งหลายว่าคนดีต้องขอขมาโทษ แล้วก็คนดีต้องยกโทษก้องให้อภัยซึ่งกันเลยกันโลกเรายังอภัยกันยังขอโทษกันนี้ยังหวังความดีความจำเริญความรุ่งเรืองความบวปลได้ไปไกลวันนี้ท่านทั้งหลายชักชวนอุบาติกาอุบาจกกข้ามาขอโทษพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไันไดผิดพลาดกับพระทั้งหลายแต่อาจจะผิดพลาดด้วยความไม่รู้ตัวว่า บางอย่างที่เราไม่รู้ว่าผิดคือละความผิดมันละเอียดมากเพียงแต่นึกในใจว่าพระไม่น่ากราบไม่น่าไหวาพระไม่น่าทำบุญบางทีมีพระแสงข้ามาเยกว่ากาเข้าขุงหงอาจจะผิดไปแต่พระดีมีอยู่เมื่อพระดีมีอยู่ก็พลอยเสียหายลงไปด้วยที่อ้างว่าพระสมัยนี้ไม่น่านับถือแล้ว ไม่นับถือบางองต่างหากเา่าแต่บางองค์ท่านดีอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่แหละไปถือประวัติได้เลยเป็นพระดีมีศีลมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัติประพฤกษปฏิบัติตัวเองสั้างใจประโณดบวชตัวมาประพฤกษพรดประมาจรรมันจนมาบัดนี้ไม่มีบนทิน้นไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีเรื่องผิดพลาดทางศีลธรรมและทางการบ้านเมืองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระดี พระดีเราขอขมาโทษขอขมาโทษน่เป็นบุญข้อไหนายาโยมบุญข้อว่าอับปายจยนาใหม่แปลว่าบุญปรับรึิกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นอ่อนน้อมตนตนต่อพ่อแม่ อ, อนน่อนอนอมตนตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่การอ่อนน้อมนี่มันมันถ่อมตนในเกิดในตระกูลสูงถ้าการะด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมไม่กลับไม่ไหวในเกิดในตระกรูลต่า ที่พระเจ้าจาัดกันนี่เช่นพวกท่านเป็นปญ า, าหมากระจัดนี่เพราะท่านประพฤติอ่อนน้อมท่านจึงได้เกิดในสกโนสูงเรกว่าชาติวตโตชาวิโตคือชาติสูงกระจัดทุ ก, ท, กทุกระอองแหละจนนัดดาบนัต ด, ดาลูกเหลนหลานของท่านนี่ได้ทาบุญก็บนยักกยาข้อนี้มามากวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทําความดีที่หาณหาห า, หาได้ยากเพราะท่านไม่ถือตัว ท่านอ่อนน้อมถอมตัวท่านไม่แข่งดีกับพระไม่ดูหมิ่นพระเทิดตนยกย่องกราบไปไหว้และขอกมาโทษขอบุญยกิริยาอันนี้ที่ท่านทำแล้วจงเป็นปรารวะปัจจัยเป็นร้อนไม้ฉาคาปกปกัปกรักษาท่านเมื่อมีทุกข์ไ้เพิ้นจากทุกข์มีไฟให้ปราจะจากภัยเท่งอันใดเป็นไปโดยชอบธรรมคือความเป็นผู้มีอายุวันนะสุขบพละ ความเป็นผู้มีรากยศในเธอและความจุกทุกทิศาราการขอให้ท่านร่างกายมีความจุกใจตลอดกาลนานเตอ